ตอนทำไมต้องลาศิกขาวันที่13าเมษายน2562สศึกทำไมนะตอนนั้นแรกๆก็บวชทำไมนะแล้ววันนี้ศึกทำไมนะชีวิตเราทำเล่นไม่ได้ลูกและเด็กๆทุกคนเนี่ยยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติเราทำเล่นตามอารมณ์ไม่ได้ คิดสนุกก็บวชคิดเบื่อก็สึกไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างที่ศูนย์ตัดสินใจทำมาอะยรเนก็เพื่อพวกเรานะเพราะพวกเราคืออนาคตของชาตินะปัญหาข้างนอกผู้ปกครองก็ใช้ชีวิตข้างนอกโดยจะไปทำงานกรุงเทพถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะมันไม่ใช่สังคมที่น่าอยู่เท่าไหร่นะเดือนที่แล้วพะกูไปกรุงเทพ ลงเครื่องบินปุ๊บน้ำมูกก็ไหลลงมาเลยอันนั้นมนภาวะทางอากาศปุ๊บเสียงรถติดมนภาวะทางหูทำงานด่ากันทะเลาะกันนะแล้วก็มนภาวะทางความคิดมนภาวะทางจิตใจผู้ปกครองก็อยู่กับมันแต่มองไม่เห็นก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยไปอยู่กับความเจริญนะ วันนี้ พ, พ่อครูถือโอกาสพูดเรื่องนี้นะให้ผู้ครองเข้าใจว่าศูนย์นี่ทำอะไรอยู่ลูกหลานเราทำไมต้องมาอยู่ในปา่ามันจะเจริญสู้เขาได้ไหมนะผู้ปกครองหลายคนคิดแบบนั้นและเราเองก็คิดแบบนั้นเราถึงยากจนทุกวันนี้เพราะเราคิดแบบนั้นนะความอยากของเราเนี่ยวิ่งไปตามโลกแล้วสุดท้ายก็ทำไม่เหมือนเขาเก่งไม่เท่าเขา เราถึงจนแบบนี้นะการที่เอาลูกหลานมาฝากไว้ที่นี่หนึ่งเขาปลอดภัยสองเขาเรียนเรียนรู้เรื่องคุณธรรมเรื่องชีวิตวิชาหลักของที่ศูนย์เนี่ยไม่ใช่ไปโรงเรียนดังๆเก่งๆไปเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์จบเป็นด็อกเตอร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษานั่นแหละเราต้องการแบบวัตถุนิยมแล้วทุกคนก็เครียดเธอก็เครียดฉันก็เครียดส่วนเด็กที่นี่เนี่ย วิชาการเราก็เรียนคู่กันไปเราไม่ปฏิเสธเพราะทุกคนต้องไปใช้ชีวิตไปทำอาชีพแต่วิชาหลักของเราที่นี่ผู้ปกครองก็ต้องฟังนะหนึ่งวิชาหลักคือเด็กต้องขยันสองต้องประหยัดบางคนขยันหาเงินแต่ก็ขยันใช้เงินเหมือนกันเงินเดือนออกมาวันหนึ่งโยนทิ้งหมดมันถึงจนอยู่อย่างนี้ไงนะขยันเราต้องประหยัด ใช้เฉพาะที่จำเป็นรู้จักออมไว้แล้วสักวันหนึ่งเราจะมีเหลือเฟือเราจะเป็นคนร่ำรวยขยันประหยัดวิชาที่สามคือซื่อสัตย์นะตอนนี้ซื่อสัตย์ไหมโกหกพ่อแม่ก็เอานะเออไปเที่ยวเตะ ม, มาไปทำความชั่วก็บอกพ่อแม่ว่าฉันไปเรียนนะเพราะว่าเด็กมันไม่ซื่อสัตย์สวิชาที่สี่คือกตัญญูต้องรู้คุณ รู้คุณคนที่มีบุญคุณต่อเราโดยเฉพาะพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเราแต่ตอนนี้ในโรงเรียนเราละเลยวิชาเหล่านี้นะขยันประหยัดซื่อสั ต, ตย์กตัญญูนะพราอครูบอกแล้วพ่อครูกตัญญูแผ่นดินเกิดพราอครูเกิดที่เมืองไทยที่อุบลพ่อครูกลับมาจากอเมริกาเพื่อสนองแผ่นดินเกิดและแผ่นดินนี้คือใครลูกหลานเรานั่งอยู่ที่นี่คืออนาคตของชาติ พ่อครูไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ทําเล่นเพราะพ่อครูมีกระตันอยู่รู้คุนแผ่นดินเกิดเมื่อเด็กเขามีกระตันอยู่เขาก็รู้คุนพ่อแม่พ่อแม่อย่าไปกลัวว่าอุ้ยเขาจะเอาลูกเราไปถ้าเขากระตันอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ช่างเขาจะไปตามสนองคุนพ่อแม่วิชาที่ห้าก็คืออดทนตอนนี้ทันวิทยหนึ่งร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่า มันจะทำอะไรสำเร็จไม่มีวิชาที่ห้าต้องอดทนวิชาที่หต้องมีวินยัยคนมีวินัยมันถึงรับผิดชอบงานมันทำไม่ใช่อ้างโน่นอ้างนี่กิเลสมันไม่ชอบทาก็อ้างโน่นอ้างนี่นะเพราะมันไม่มีวินยัยทำงานทางโลกทาวิชาชีพไหนก็ไม่สำเร็จทำแล้วก็ไม่อดทนเจอปัญหาก็เบื่อคนอีสานเราต้องระวังนะไม่ใช่เราไม่ดีนะเพราะกูก็คนอีสาน นะ ญ, า, ญาติญาติธรรมเราคนกรุงเทพเป็นเท่าแก่หลายสาขาอาชีพแต่พอปีใหม่ปุ๊บกลับบ้านสงการปุ๊บกลับบ้านให้เงินเดือนสูงแค่ไหนฉันก็ไม่อยู่ผิดไหมไม่ผิดเพราะคนอีสานเราไม่มีความอยากจนทิ้งวัฒนธรรมแต่คนทางโลกเนี่ยที่เขาล่ารวยได้เพราะอะไรนะพอกำลังทำงานปุ๊บกำลังจะขึ้นขั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็อดทนอยู่ต่อ เขาก็ต้องวางความอยากที่ว่าอยากมาเล่นมาเที่ยวมาหาญาติพี่น้องทีนี้ถามว่าเราจะเอาแบบไหนเราจะเอาวิ่งเอาความเจริญทางวัตถุแล้วเราทิ้งวัฒนธรรมมันดีไหมมันก็ไม่ดีอีกถ้าเราเอาวัฒนธรรมแล้วเราก็ทิ้งงานที่เราทำเราก็ไม่ก้าวหน้าเป็นสังคมที่ไม่ง่ายเพราะครูพยายามทางหาทางสายกลางเนี่ยจะทำยังไงให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้แบบไหนมันพอดีกับสังคมยุคใหม่ นะเนี่ยข้อที่6คือมีวินยัยข้อที่เจนี่สำคัญมากคือต้องให้เด็กเรามีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ไม่ใช่ไปเรียนรู้โรงเรียนดังๆไปท่องจำวิชาของคนอื่นไม่กล้าคิดนอกกรอบพอเบื่อมาปุ๊บนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแทนที่จะหาความรู้องความรู้มาสร้างวัฒนธรรมใหม่ไม่ฉันเล่นเกมเพราะฉันเบือ่อ นั่นแหละเด็กในเมืองเป็นแบบนั้นพ่อแม่ก็ไปอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่เห็นก็อยากเหย้าลูกไปอยู่ในเมืองนะเราอิจฉาลูกเราเหลอกลัวลูกเรามันจะมีอนาคตมากกว่าเราใช่ไหมพ่อแม่รักลูกจริงๆต้องอดทนให้ลูกมาฝึกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเด็กๆที่นี่พ่อกรูนุโมธนาบุญด้วยพ่อกูกราบทุกคนได้หลวมพ่อเช้าเนี่ยพวกเราบินทบาทครั้งสุดท้ายพ่อคูกราทุกคน กาบในความยิ่งใหญ่ของเราเราแสดงออกถึงความกระตันอยู่เราบวชมาสามพันสาบวชให้ในหลวงราชการที่เก้าเรานะผู้ปกครองฟังนะเมื่อเช้าถามว่าทำไมสืกอ่ส่วนหนึ่งเขาก็มีจิตใจมีกระตันอยู่ผู้ใหญ่แนะนำเขาก็บวชให้ส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบแต่ว่าองค์กรบังให้บวชเขาก็บวชนะ เราก็ต้องแนะนำเด็กเนี่ยให้รู้จักกตัญญูลูกคุณแผ่นดินเกิดในหลวงราชการที่9เราคือสั ญ, ญลักษณ์ของแผ่นดินพระองค์จากเราไปแล้วเนี่ยเหมือนเห็นัหมพ่อแม่เราเสียชีวิตเนี่ยทำไมเราบวชหน้าไฟไล่อะไรนี่เหมือนกันในหลวงเป็นพ่อหลวงของเราเราก็บวชนะเพื่อบาเพ็ญเพียรที่นี่ปฏิบัติธรรมทุกวันเพื่อถวายเป็น ราชกุศลแด่ในหลวงของเราเพียงแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเป็นสงการเป็นสักการาดใหม่เดือนหน้าลูกเดือนพฤษภาตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกเขากำลังเตรียมราชพิธีใหญ่คือราชาพิเศษเปลี่ยนราชการใหม่แบบชัดเจน เราก็ไม่มีข้ออ้างที่จะบวชให้ในหลวงราชการที่9อีกแล้วอันนี้หนึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์ไม่ใช่โรงเรียนปริยัตจริงๆแล้วนักบวชเนี่ยไม่เหมาะสมกับมาเรียนที่โรงเรียนนี้แต่ที่ผ่านมา 3, สพรรษาเนี่ยเราอาศัยบา ร, รมีในหลวงราชการที่9เราว่าเด็กๆบวชเพื่อถวายให้องค์ในหลวงเราหน่วยราชการเขาถึงมารบกวนเราไม่ได้ แล้วก็ทาหน้าที่เราอย่างสมบูรณ์แล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะก็พฤษภาต้นเดือนเนี่ยเขาก็มีราชพิธีใหญ่นะราชาพิเศษราัชาการที่สิบขึ้นมาอันนี้หนึ่งนะสองสามพรรษาที่ลูกหลานเราบวชแล้วเนี่ ย, ยพอไปโรงเรียนนักเรียนที่เขาไปกับเขาเรียนวิชากีฬาได้โดนตีได้ หรือเรียนวิชาบางอย่างเกี่ยวกับทางโลกได้เราเป็นเนนเราเป็นชีเราไปทำแบบเขาไม่ได้คนไทยบางทีงงนะรักลูกอยู่นะแต่ก็ไปติดรูปแบบเอาลูกมาเป็นเนนลูกมาเป็นชีเนนเขาดื้อหน่อยก็ถูกต่อว่าว่าไม่สารวมชีทำอะไรที่เฮ้ยมันผิดศีลผิดธรรม ลูกหลานเราก็ได้พลาดโอกาสเพราะครูดูเป็นกลางๆดูมาแล้วบวกลบคูณหารแล้ ว, วถึงเวลาแล้วเมื่อเราขึ้นป้ายเนีนขึ้นป้ายชีเนี่ยทำให้ลูกหลานเราผิดศีลคนโง่หรือคนฉลาดทำให้ลูกหลานเรามันผิดศีล น, นะก็เขาเป็นเด็กเขาก็ทำเท่าที่ทำได้อย่าไปอย่าไปสร้างภาพหลอกลวงกันโอ้ฉันเป็นเนียนฉันเป็นชีแต่รับหลังเนี่ยเราไม่มีศีล นี่คือคนโง่าทาให้ลูกหลานเราผิดศีลซึ่งพวกครูเองเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพวกครูาอาศัยศาสนาอาศัยพิธีนกรรมในการบวชเนี่ยเพื่อให้ลูกหลานเราเนี่ยแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุนแผ่นดินเกิดตอนนี้เราก็ทําหน้าที่จนสมบูรณ์แล้วเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะถึงเวลาที่พวกเราลาสิกขาแต่ลาสิกขาทําไมเนนเปลี่ยนชุดใหม่ นะเราปรึกษากันแล้วผู้ปกครองต้องฟังนะมีอะไรเราปรึกษาเนนปรึกษาชีว่าเราจะเอาอยัางไงอยู่ยังไงเออต่อไปนี้เนี่ยเราถอดชุดเนอนออกเราจะแต่งชุดแบบไหนทีนี้เราก็มีชุดกางเกงมีอะไรเพราะว่าปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเราเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งสมาธิเงียบๆแบบนั้นเฉยๆนะเราเคลื่อนไหวเพื่อให้ลูกหลานเรามีร่างกายแข็งแรงด้วยกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวีมีสุข ไม่ช่่งหลับหูหลับตาฝึกสมาธิจเจริญสติแต่ไม่เกิดปัญญาไม่มีศีล น, นะศีลคือความปกติของจิตเราจึงให้เนนนะ่มีชุดปฏิบัติคือกางเกงและตอนนี้เราก็ตกลงกันว่าเมื่อเราเปลี่ยนออกจากเนนแล้วเราก็เอาชุดที่เราใส่เนี่มาย้อมสีนะเนนเนี่ก็เป็นสีกักนะทุกคนเลือกเองนะ เออเป็นสั ญ, ญลักษ์การแต่งการนี่เป็นสั ญ, ญลักษ์ของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไม่ใช่ลัทธินิกายเมื่อเช้านี้พวกคุเห็นเด็กๆนี่เ็แต่งอเอจ้าออมานะเด็กๆที่จะมาบวชใหม่บวชชีบวชบวเนรใหม่เราไม่ทิ้งนะการบวชฤดูร้อนเนี่ยเราจะรักษาไว้ประเพณีดีๆแต่บวชแค่ระยะสั้นคือสองอาทิตย์นะพรุ่งนี้เราปงผม มอลือ น, นี้เราบวชนะจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่ดหรือย9ิบเก้านาะักูจนั่นแหละบวชจนถึงวันที่ยี่บเก้าพักกูจำไม่ได้ยี่บเจ็ดหรือยี่บเก้านาะจนถึงยี่บเก้าแล้วก็ศึกนะเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนนะ เพราะคุณไม่ต้องการให้เด็กแตกแยกกับเพื่อนที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนด้วยกันแต่ที่ผ่านมาเขายิ่งใหญ่มากเขาบวชให้ในหลวงราชการที่9นะผู้ปกครองต้องเข้าใจการบวชนี่แน่นอนทั้งเนนทั้งเมชีน้อยไม่ได้กินข้าวเย็นนะแต่เขาฝึกขันติฝึกศรัทธาเขาก็ผ่านมาได้สองสามปีนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่ในสังคมโตขึ้นเขาต้องออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูพ่อแม่นะมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลรานค่อยโดยเฉพาะคนทุกคนตอนนี้เนี่ยไม่เชื่อว่าในโลกนี้มีของฟรีมึงฟรีได้ยังไงเอาเงินมาจากไหนสงสัยเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาเอาลูกเราเป็นลูกเขานะนี่คือคิดแบบคนทางโลก มูลิทิเพื่ออะไรเพื่อการกุศลเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำบุญบุญคือการให้ให้แบบไม่มีเงื่อนไขส่วนโตแล้วเนี่ยเขาจะไปเป็นคนดีที่ไหนเขาจะไปเลี้ยงพ่อแม่อะไรเนี่ยก็ขอให้เป็นคนดีไปเถอะนะไม่ใช่ต้องมาอยู่ศูนย์ถ้ารุ่นต่อรุ่นมาอยู่ศูนย์เนี่ยพ่อครูจะเอาที่ไหนเลี้ยงวันหนึ่งที่นี่เราเลี้ยงคนเป็นพันคนโรงเรียนสามโรงเรียนเรานะครูด้วยผู้ ผ, ผู้ผู้ญาติธรรมมาด้วย เราให้เป็นหน้าที่เราเพราะเรานับถือศาสนาพุทธทานศิลภาวนาการให้ทานนี่เป็นหน้าที่เราแต่คนให้ไม่ได้ก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เขาทำอย่างนี้เขาให้เพื่ออะไรเรากลัวไปหมดเลยบางคนพ่อแม่สร้างปัญหาสร้างหนี้สร้างศิลป์ปุ๊บจะดึงเอาลูกไปขายแรงงานพ่อแม่ไม่มีสิทธินะไม่ใช่ลูกฉันจ ะ, จะทาอะไรก็ได้เขาคือลูกของ ประเทศไทยเขายังอยู่ในวัยต้องเรียนภาคบังคับเ้าต้องมีต้องเรียนให้มันจบก่อนแต่พ่อแม่เห็นแก่ตัวอ้างโน่นอ้างนี่ก็เอาลูกเนี่ยไปขายแรงงานขายแรงงานไม่พอน่ไปขายตัวด้วยอยู่ที่นี่พราคูเศร้าใจมากเด็กมาดีๆปุ๊บก็อ้างโน่นอ้างนี่ก็เอาเด็กออกไปถ้าออกไปแล้วมันก้าวหน้ามันปลอดภัยเนี่ยพ่อคูจะขับรถไปส่ง พ่อแม่ต้องตื่นกรรมที่เราสร้างมาก็เป็นปะหาเราเราก็ทําไปแต่เถ้าเด็กมาฝากที่นี่พ่อแม่ต้องให้เกียรติศูนย์ให้เกียรติมูลนิธิต้องเชื่อมั่นในเราเพราะคุณเจ้าท่านก็เป็นผู้ทรงศีลคุณแม่ชีก็เป็นผู้ทรงศีลทุกคนเหนื่อยกันเพื่อดูแลลูกหลานเราไม่ได้หวังอะไรขอให้เขาเป็นคนดีออกไปเป็นคนดีในสังคมไม่ใช่ไปฟังเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพราะครู อยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนนะอยู่อเมริกาก็กูไม่เดือดอร้อนเศรษสุขอย่างเดียวก็ได้แต่พวกครูรู้ว่าชีวิตมันไร้สาระเรามาอยู่ที่นี่เรายังมีส่วนเกินเพื่อแบ่งปันโดยเฉพาะคนชนบทเราเนี่ยส่วนมากเป็นเด็กยากจนเราจะทํำยังไงอนาคต ข, ข้างหน้าเขาจะหายจนเนาะตอนนี้ไปเรียนเก่งๆโรงเรียนดีๆลูกนะมีลูกญาติที่ทําหลายคนเรียนจบโรงเรียนดังๆ ในกรุงเทพไปทำงานแล้วเงินเดือนหมื่นกว่าบาทสองหมื่นไม่พอใช้ก็ยังจนอยู่ไงเพราะขาดทุนไงเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องชีวิตเลยว่าชีวิตมันคืออะไรเด็กๆที่นี่ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตเมื่อเขากระตันอยู่แล้วเนี่ยเขาจะทำความชั่วเขาก็กลัวพ่อแม่เนี่ยเสียใจพ่อแม่จะเอาเด็กๆสอนมันเก่งมันก็เลยเก่งกับพ่อแม่ นั่นแหละผู้ปกครองต้องอดเปรี้ยวกินหวานยังห่วงนะลูกของเราก็เป็นลูกของเราไม่ใช่ลูกของคนอื่นที่นี่เราสอนให้เขากระตันอยู่รู้คุณหนึ่งพ่อแม่สองแผ่นดินเกิดไม่ต้องไปสนองคุณพ่อครูไม่ต้องไปสนองคุณศูนย์อย่างนี้ศูนย์นี้ไม่มีอะไรต้องมาช่วยถ้าศูนย์นี้เดือดร้อนต้องให้คนมาช่วยเนี่ยศูนย์จศูนี่จะเอาส่วนเกินที่ไหนเพื่อจะมาแบ่งปันการให้เนี่ยเป็นการเสแส้ง แกเพราะครูทาไม่เป็นนะเอาไว้ว่าผู้ปกครองต้องมั่นใจเด็กอยู่ที่นี่เราดูแลเขาเนี่ยยิ่งกว่าลูกเราเองอีกเพราะเขาเป็นลูกของแผ่นดินเขาบวชให้เราแคน่นี้มันประมาณค่าเป็นเงินไม่ได้เพราะครูกราบไหว้ได้เมื่อเช้าพรากูใส่บาสนะอาจจะว่าช่วงนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เด็กๆมีของดีๆเหล่านี้แล้วโตวขึ้นถ้าเขาเจอทุกข์เขาไปเจอสัจ ธ, ธรรมชีวิต เขาอาจจะกลับมาขอบวชใหม่ตอนนี้บวชเพื่อไปสู่นิพพานแต่นั่งอยู่ที่นี่เนี่เขาไม่ได้บวชเพื่อไปนิพพานส่วนมากบวชตามประเพณีวัฒนธรรมบวชเพื่อให้ในหลวงนะบวชเพื่อเรียนรู้ศาสนานะเรียนรู้วิชาการเราจะไปบังคับให้เขาเป็นหุ่นยนต์มาเสแสร้งถ้าศูนย์ต้องการผลประโยชน์นะพ่อครูไม่ให้สึกบวชอย่างนี้นะลูก ญาติที่ทำมาจากกรุงเทพอุ้ยเขาอ่อนซ่อนเขาศรัทธามากนะเขาก็มาทำบุญกับพ่อครูเงินก็เต็มศูนย์พ่อครูไม่เอากมันเป็นการหลอกลวงนะศรัทธาแบบไม่ใช่ของจริงนะลูกหลานเราก็ผิดศีลด้วยคุณบอยเขาถือศีลสิบถามว่าเ็าถือได้ไหมเน้นบางคนบวชมาสามพรรษาบางคนสองบางคนหนึ่งนะพ่อครูถามว่า ที่ผ่านมาเนี่ยใครถือสินสิทธิได้สมบูรณ์ยกมือขึ้นยกลูกใครคิดว่าตัวเองทำได้สินสิทสมบูรณ์เลยยกมือขึ้นผู้ปกครองดูนะดูนะเห็นยังโอเคไม่ชีบวชมา 3, สาพรรษา 1, สองพรรษาหนึ่งพรรษาใครถือศินแปดสมบูรณ์บ้างยกมือขึ้น เขาทำไม่ได้เขาเป็นคนชั่วไหมไม่เขาพยายามทำอยู่แต่เขาคือเด็กศาสนาหมดเวลาแล้วที่จะมาสร้างภาพหล อ, อกลวงกันติดรูปแบบแล้วก็จิตวิญญาณไม่ไปไหนพราครูเป็นคนสู้ความจริงแล้วสุดท้ายถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปลูกหลานเราก็พลาดโอกาสนานๆพ่อครกูก็ไปลูกๆไปเนื่องจากคนเรามันเยอะขึ้นไปพร้อมกันก็ไม่ได้ไปวันนี้เนนไปกับพ่อครูไปกินข้าวข้างนอก เนงก็ต้องไปอย่างสำรวมนะสำรวมนะข้างนอกสำรวมข้างในมันเล่าร้อนน่ยมันเคยทาอะไรก็ไม่ได้ไปเรียนรู้กับคนอื่นเรียนรู้ก็ไม่ได้มันไม่สำรวมเอาเน้นนี้เสร็จเอาพรุ่งนี้ไม่ฉีไปกับพ่อครูผู้ปกครองอย่าห่วงนะอย่าว่าแต่เมืองไทยเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สินี่ยพ่อครูเลือกปฐมหกจะขึ้นมอมอหนึ่ง เฉพาะไม่ชี้ก่อนลูกเนีเนเอาไว้อีกชุดหนึ่งไปกับหลวงพี่พราะกูจะพาไปทัศนศึกษาเมืองนอกไปที่ลาวกันบางคนไปเที่ยวลาวอยู่แต่ไม่ใช่เหมือนพอ ก, กูพาไปลูกเราจะให้ลูกหลานไปพักโรงแรมชั้นหนึ่งพ่อแม่ทํางานกรุงเทพเนี่เคยไปท้าลูกหลานไปห้องเลยไปโรงแรมชั้นหนึ่งว่าเขาทํำยังไงเขาอยู่ยังไงไอน้นวดแผนไทยโรงแรมชั้นหนึ่งมันเป็นยังไงนะ ให้เขามีโอกาสไปสัมผัสโลกภายนอกเขาต้องอยู่กับความเจริญแต่ต้องรู้เท่าทันมันไม่ใช่เปตามมันไม่ใช่เป็นทาตของวัตถุนิยมให้เขาไปเรียนรู้เท่าทันมันไม่ใช่คุมถุงชนการนำพาเขาไปข้างนอกเป็นการทัศนศึกษาต้องอยู่ในกรอบที่ปลอดภยัยแต่ตอนนี้พ่อแม่ไปรักลูกรักลูกมากไปไปซื้อรุ่นใหม่ให้ลูกแล้วสุดท้ายมันก็เป็นทาตของเกมอย่างนั้นดีไหม ทีนี้รุ่นใหม่มาก็จะเอาอีกพ่อแม่ไม่ซื้อให้ปุ๊บไม่ไปโรงเรียนเพราะเพื่อนมันมีรุ่นใหม่พ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนกู้นิยมสินมาซื้อให้ลูกเนี่ยถามว่าดีไหมสุดท้ายมันก็จเจริญไม่ได้ฐานะมันก็ดีไม่ได้เพราะว่ามันเกียรติเงินมากมันกลัวเงินจะอยู่กับมันเงินเดือนทํางานสาสี่วันปุ๊บโยนทิ้งวันหนึ่งเลยเอาเงินอนาคตมาใช้เนี่ยพ่อแม่ก็เป็นแบบนั้นอยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้นไหม เพราะพวกูฟังมาเยอะมากฟังจนหน้าตกใจเลยคิดอย่างนั้นได้อย่างไรเอลัทธิอะไระไรเหรอไม่มีที่นี่ไม่มีลทัทธิที่นี่เราดำรงชีวิตแบบครอบครัวใหญ่ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวแม้กระทั่งเด็กบางคนอารมณ์เขาเป็นยังไงบางทีไม่มองหน้าพ่อครูบางทีวิ่งหนีพ่อครูเลยพ่อครูก็เมตตาธรรมดาทำไม่ได้นะไม่กระตันอยู่ แต่พ่อครูไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็นอารมณ์ของเขาการเมตตาต้องข้ามพ้นถูกผิดดีชั่วแล้วต่อไปพระพี่เลี้ยงไม่ชีพี่เลี้ยงหรือพวกนี่ต่อไปนี่พวกเราศึกแล้วลูกครูในโรงเรียนก็มาร่วมสังกกรรมได้วันเสาร์จิตเราจะมีชมรมนะแล้วก็ตอนนั้นเรามีศินกันไงเนรเราบางคนนี่ไปขู่ครูที่โรงเรียนนะ บอครูอย่าพูดมากนะครูศินห้าชั้นสินสนะิบไงครูมันก็สอนลูกหลานเราก็ไม่ได้ไงแต่ตอนนี้เท่าเทียมกันแล้วโอเคไหมอย่าไปครูครูนะตอนนี้เท่ากันแล้วทีนี้พูดมากครูตีจะได้นะตอนนี้แต่พวกเราเนี่ยไม่ใช่นักโทษเราเป็นนักเรียนเราไม่รู้เราถึงมาเรียนบางทีครูบาอาจารย์บอกอะไรชอบไม่ชอบก็ฟังก่อนไม่ใช่ไม่ชอบปุ๊บปิดเลย เอาใจใจตัวเองนะก็พวกครูมีารายงานเด็กๆทุกคนก่อนจะกลับบ้านเขียนรายงานพ่อครูอ่านทุกคนลูกพ่อครูอ่านทุกบรรทัดงานพวว่อครูเยอะมากไหนจะออกบรรยายข้างนอกไหนจะญาติธรรมมีปัญหาอะไรศูญจิตใจศูนญสมรรถพลังแต่พวกเราเนี่ยมีความสําคัญสำหรับพ่อครูพ่อครูอ่านทุกคําพูดบางคนเขียนเพื่อจะประชดตัวเองแล้วก็แดกดันก็มี แต่พวว่อคูอ่านแล้วก็สัตว์แต่ว่าอ่านมองในแง่เมตตายกตัวอย่างนะเขาเรียกร้องอะไรผู้ปกครองฟังด้วยนะหลังจากศึกแล้วเนี่ยเขาแต่งหน้าได้ตามใจชอบแต่งชุดสีอะไรก็ได้นะพ่อแม่เห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวพวว่อกูจะอนุญาตแล้วสองที่นี่คุมเรื่องมือถือเพราะมือถือนี่มันมีประโยชน์มากยุคนี้ไม่เรียนไม่ได้ แต่ถ้าเราเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มันมีประโยชน์แต่ถ้าเราเอามาใช้เครื่องมือในการเล่นมันเป็นโทษโทรฉันรักเธอเธอรักฉันฉันคิดถึงเธอเธอคิดถึงฉันไม่มีกำลังใจทำงานไม่มีกำลังใจเรียนอย่างนี้อันนี้มันเป็นโทษโทษกระชักชวนไปพบกันไปคบชู้ฉูสาวกันอย่างนี้มันเป็นโทษผู้ปกครองเอาไหม ตอนนี้ก็ต่อรองมันเป็นเรื่องธรรมดาเด็กเขาต้องการใช้พราครูกำลังพิจารณาอยู่ว่าเออแบบไหนมันพอดีอบางคนต่อรองว่าตอนนั้นเดือนหนึ่งให้พูดครั้งหนึ่งห้นาทีสิบนาทีเขาขอว่าบางคนวสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งได้ไหมบางคนว่าอาทิตย์หนึ่งได้ไหมอาทิตย์หนึ่งสามชั่วโมงลงได้ไหมเดี๋ยวเราคุยกันลูกโบทเสียงกันนะถ้าทุกคนเห็นด้วยนะอาทิตย์หนึ่งสาชั่วโมงเนี่ยให้พูดลูกแต่เอาไม้ไว้เปิดเสียงดังๆให้คนในศูนย์ได้ยินหมดเลยเอาไหม เอาเลยลูกถ้าพูดแล้วมีประโยชน์น่ะเราก็เป็นครูซึ่งกันและกันไม่ขีก็ขออะไรลูกอยากขี่จักรยานพ ก, กูโอ้ดีจะได้ออกกาลังกายกาลังจะอนุมัติแล้วพิบุกเตือนพ ก, กูเมื่อวานเนี่ยเนยนพึ่งหัวมงใครขี่จักรยานล้มเมื่อวันก่อนยกมือขึ้นยกยกยกสูงสูง เอาลงแล้มันหัวหมงพื้นมันสลบมันตายขามันหักแขน ม, มันหักนี่ดีไหมคือไม่ด้อยากอยากอยากแล้วพอเขาให้แล้วก็ไม่รู้จักบริหารตัวเองเนี่ยเด็กทุกวันนี้ต้องการสิทธิเรียกร้องโน้นเรียกร้องนี่แต่ลืมหน้าที่เพราะเราทำผิดกติกาปุ๊บเนี่ยผู้ปกครองแม่ชีพระพี่เลี้ยงเขาเขาแนะนำเขา เขาชี้นาก็ไปโกรธเขาไปน้อยใจเห็นแก่ตัวไม่กระตันอยู่แล้วคนยิ่งไม่ยุ่ยแย่คนอื่นทะเลาะ ก, กันเนี่ยระวัง น, นี่ตกนรกเราดูแลลูกหลานเราเนี่ยเพื่อต้องการเนี่ยเขาเป็นคนดีเมื่อโตแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเขาจบปวชที่นี่เห็นไหมบางคนที่ไหวพิพิธภาณ์แล้วก็ส่งไปเรียนต่อนะบางคนไปนเรียนต่อมหาวิทยลาลัยได้ปีหนึ่งเพราะกูให้ลาออก มันจะสอนวิชาหาเรื่องวิชาเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นไงแล้ววิชาชูสาวไงยังไม่จบเลยวิชาหาเงินยังไม่จบวิชาใช้เงินมาเป็นด็อกเตอร์หมดลาออกเทอมนี้ไปสมัครแล้วเสียเงินเมื่อนกว่าบาทเรียนมาหลาลัยอุบล น, นะลาออกทิ้งเงินเพราะครูเอาความปลอดภัยพ่อแม่เยอะ ไปเห่ตามโลกโอ้ยโรงเรียนมันดังๆกู้นี่ยิยมสินนั่นไปเรียนจบมาก็ไม่มีงานทำวิชาที่เขาสอนเป็นวิชาเต่าล้านปีเป็นก๊อปปี้ไปเรียนแบบเขาไม่ใช่เรียนรู้ไอ้ยังไม่จบเลยมันก็ล้าสมัยแล้วเนรุ่นใหม่ๆเขาออกมาแล้วเนี่ยเด็กทุกวันนี้ต้องสอนให้เขาฝ่ายเรียนรู้ไม่ใช่มีความรู้เมื่อเขารับผิดชอบแล้วเนี่ยเขาอยากรู้เลยเขากดถาม คอมพิวเตอร์มันก็ตอบมาหมดแต่อย่าไปเชื่อมันนะต้องรู้จักเอามาแมปใช้เอามาบูรณาการเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่การศึกษาทุกวันนี้มันสอนให้ลูกหลานเราเนี่ยไปใช้รุ่นใหม่เพื่อเป็นทาสของในทุนทําให้เขารวยขึ้นพอดีใจสองวันเพื่อนมีรุ่นใหม่มันก็บอกไปหาเงินไปกู้นี้ยิงสินมามาซื้อรุ่นใหม่อีกแล้วก็มาผ่อนส่งเขาเราต้องสอนลูกหลานเราให้สร้างรุ่นใหม่ไม่ใช่ไปใช้รุ่นใหม่นั่นแหะมันขึ้นจะรวยได้ พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะพ่อครูลวล่าอะเมื่อฝากเด็กที่นี่แล้วมุ่งมั่นทํามาหากินยังห่วงมันขัดแย้งกับที่อื่นนะต้ามาเยี่ยมลูกบ่อยๆนะต้องมาทำบุญเยอะๆนะไม่พ่อแม่ตั้งใจทํางานแก้ปัญหาเด็กๆที่นี่เดี๋ยวเราดูแลเองนะเด็กๆที่นี่ต้องฟังนะลูกอย่าไปเอาใจตัวเองมากอดเปี้ยวกินหวานเรายังอยู่ในวัยที่ต้องเติมรู้เติมเติมความรู้เนี่ย กติกาพวกเราก็ตั้งมาเองไงเอาล่ะอยู่ในหอพักเธอต้องทำอะไรบ้างเขียนลงมาหมดแต่เราก็ไม่ทำไงพอผูด้ดูแลเขาบอ ก, กปุ๊บก็ไปงอนเบื่อมาพูดมากๆต้องการอิสระก็ดีแล้วไงลูกถ้าต้องการอิสระไม่อยากให้เขาพูดเราก็ทำหน้าที่เราอย่างสมบูรณ์เลยไม่มีใครเขาจะพูดมันเหนื่อยงอนจนไม่มีมารยาทกับพวกครูเลย นั่งที่นี่เนี่ยใครเกียรติพ่อครูบ้างยกมือขึ้นยกอย่าพูดรอบหลังพ่อครูพ่อครูแน่ใจไม่มีแม้แต่หนึ่งคนพค่อครูแน่ใจตัวเองไม่เคยลังแก่พวกเรากดข่มเหงพวกเรามีแต่มีโอกาสปุ๊บมีแต่ให้หาวิธีให้แต่พอเราไม่พอใจนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าแสดงกิริยาที่ไม่สมควรอันนี้เป็นบาปนะลูกมันเป็นบาปทางใจจิตเราบันทึกแล้วว่าเรามี ทิติมานะกับครูบาอาจารย์ไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองต้องร่วมมือกับโรงเรียนมาช่วยกันบ้านเมืองวุ่นวายมากมายปัญหาผู้ปกครองเองก็เยอะแยะรีบตั้งหน้าตั้งตาทางานแก้ปัญหาให้หมดถ้าเรารักลูกจริงๆเราต้องไม่สร้างหนี้สินให้กับลูกลูกมันจบตรงนั้ยังออกไปทํางานนับหนึ่งนับเริ่มจากศูนย์อย่าให้เป็นนับอยากติดลบ คนนี้เกิดมาพ่อมีผ่าล้านคนนี้เกิดมาแม่มีหนี้สินหนึ่งล้านถามว่ามันจะไปแข่งขันเสรีได้อย่างไรมันเป็นสังคมที่เหลวไหลทุนนิยมเลยใครมีทุนมากกว่าคนยน้อนนนได้เปรียบเราเลือกเกิดไม่ได้เราเกิดมาจนไม่ใช่ความชั่วไายนะหลวงปู่มั่น หลวงพ่อชาอาจารย์พ่อครูนี่เป็นลูกชาวนาเขาถึงเป็นพระอรหันได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีน่ะมึงหลงระเริงในความสุขตรงนั้นนะ่ะมึงตายเปล่าไม่ใช่เกิดมาเป็นลูกคนรวยแล้วมันดีนะนั่นแหละคนจนก็อยากรวยอยากรวยก็ไปไดกู้หนี้คือลืมสินมาก็กลายเป็นหนี้สินกลายเป็นคนจนอยู่ดีๆไม่ชอบกลายเป็นคนยากจนยากแล้วเพราะมันมีหนี้ถ้าเราพอใจในความจนเราเราก็มีอยู่มีกิน แล้วก็อิสระไงแต่ตอนนี้เขามาข้อประตูบ้านทวงหนี้ไม่จ่ายปุ๊บยึดทรัพย์ยึดที่ดินเนี่ยนี่แหละจนอยู่ดีดีเนื่องจากความอยากรวยเราทําให้เราเป็นยากจนที่นี่สอนวิชาชีวิตเพราะครูมีความบริสุทธิ์ใจครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้รับกินนิมนต์ไม่มีซองไม่มีเงินคุณไม่ชีที่นี่ก็ไม่มีเงินเดือนพวกเรามันเหนื่อยทําไมมาดูแลลูกหลานเราแต่เด็กเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักรตันอยู่เนี่ย เอาแต่ใจตัวเองไม่พอใจก็ไปด่าครูบาอาจารย์แบบนี้อันนี้เป็นบาปลูกไม่ควรทำเพราะครูถึงบอกว่าต้องอดทนนะลูกไม่พอใจก็ต้องใช้อดทนอย่างไไม่อยากทำหน้าที่ก็ต้องมีวินยัยไงบางทีน้อยใจพวกคูก็เห็นใจพวกเรานะบางทีพวกกูก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่ายัางไงก็ช่างพวกคูโกรธพวกเราไม่ได้เพราะอะไร พรา่อครูรักพวกเราอย่างจริงจังทําไมรักละ่ะไม่ใช่ลูกหลานพ่อครูยิ่งกว่าลูกหลานอีกพวกเราเป็นอนาคตของชาติพ่อครูกระตันอยู่รู้คุณตอ่อแผ่นดินเกิดพ่อครูมีหน้าที่ให้แต่ผู้ปกครองต้องเข้าใจนะก็เราต้องคุยกันอย่างนานลูกเปิดเทอมก็ว่ากันนะเอาเป็นว่าอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนขอมานี่เยอะมากปิดเทอมให้กลับบ้านสิบวันไม่พอ อยากจะสิบห้าวัน20วันสามสิบวันเออหมดเทอมเลยอะไรเนี่ยนะบังเอิญพ่อครูก็มานั่งอันนี้ทําให้ได้ก็ให้ได้เลยเดี๋ยวนี้นะเอาเป็นว่าปกติเรานัดกันว่าเราจะกลับวันที่สิบเจนะวันที่สิบห้างานเราเสร็จหมดถ้าทุกคนซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยสิบห้าเย็นกลับได้เลยหรือใครจะกลับสิบเจดก็ไม่เป็นไรแล้วเราบอกว่ากลับมาศูนย์ยีไม่ต้องลุกยืดไปถึงวันที่ห้าเลย นะอะไรที่ให้ได้ให้แต่ต้องเป็นหน้าที่ผู้ปกครองต้องดูแลเองนะถ้าถามพ่อคูอยากให้กลับไหมไ ม, ไม่เป็นห่วงมากไม่ชีพี่เลี้ยงก็คุยกับพ่อครูอยู่พอกลับไปปุ๊บมันก็ทําให้ตัวเองเปื้อนคิดแบบทางโลกมิได้เอาใจยักลับมาปุ๊บกว่าจะล้างมันสะอาดอีกนับหนึ่งใบนี่มันหนักมากแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสเมื่อเด็กๆ เ, เขาอยากกลับบ้านไปอยู่กับผู้ปกครอง แต่เด็กบางคนเนี่ยไม่อยากกลับก็อย่าเป็นไล่เขากลับรู้ว่าส่งเขาไปตายก็ไปส่งไปทําไมก็ให้เขาอยู่กับเราเรายินดีอยู่กับเราเชนี่ไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายถ้าเราห่วงค่าใช้จ่ายเราพ ก, กูก็สั่งปิดโรงเรียนสามโรงเรียนจบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายดีไหมเรายินดีที่ต้องดูแลลูกหลานเราเออใครกลับมีความสุขกลับไปใครกลับไปไม่มีความสุขครอบครัวมไม่พร้อมไม่ต้องกลับ อยู่กับครอบครัวใหญ่ของเราพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าห่วงนะมุ่งมั่นแก้ปัญหาตัวเองอย่าสร้างปัญหาไว้ให้ลูกที่เรารักมันถ้าเรารักลูกจริงๆนี่พ่อแม่จะอยากสร้างหนี้ให้ลูกเคลียร์หนี้ให้หมดพอเขาจบแล้วเนี่ยเขาเริ่มนับหนึ่งใหม่มันต้องติดลบตอนที่เราลักแบบนี้ไงพค่ครูจึงบอกว่าผู้ใหญ่สร้างสังคมเร็วๆให้เด็กมันอยู่ พ่อครูไม่ร่วมสันติการรมด้วยไม่ใช่ลัทินีไก่อันนี้คือคาสอนพุทธเจ้าการให้ทานเป็นหน้าที่ เ, านะเรานะก็พ่อคูก็นับอยู่ทุกคนไม่ว่างนะแต่ว่าพา่อคูรับปากแล้วพ่อกูต้องทำนะวันที่สิบ9ปดสิบเก้ายี่สิบมชีปฐมที่ศึกแล้วนี่มีห้าคนที่ไม่กลับบ้านนะแล้วก็บวกเมชีมัธยมที่ไม่กลับบ้าน นะรวมกันแล้วทั้งคนขับทั้งไรพ่อครูพ่อครูไปด้วยพ่อครูไปเหนื่อยกับพวกเราลูกนะไปปุ๊บเราเรียนรู้ด้วยกันอันนี้เป็นยังไงมันทําอย่างนี้ทําไมมันเจอเลยอย่างนี้เพราะอะไรมีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรไม่ใช่ไปเล่นให้มันสนุกสนานเฉยๆนะเราไปสามวันนะส่วนที่อยู่ที่นี่นะถ้าเรา อยู่ได้จนถึงวันที่15 1ห้าสิเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการขิดผมนะมาช่วยกันรับน้องใหม่ลูกเดี๋ยวจะบางคนเขาก็มาบวชภาคด่ดูร้อนเฉยเฉยญาติกระ ท, ทามจากกรุงเทพเนี่ยมาบวชช่วงสั้นๆมาช่วยกันดูแลแล้วก็มะลือ น, นี้ก็ทําพิธีบวชนะหลังจากเสร็จแล้วใครอยากกลับก็กลับได้เลยแต่ต้องเคียนะผ้าเพื่อซักให้มันเรียบร้อย นะพอกลับมาเปิดเทอมวันที่ห้าแล้วทุกอย่างต้องพร้อมและตอนนั้นเราประชุมมากันใหม่ว่ากติกาที่กั้งไว้อันนี่ทางแผนกดูแลเขาให้พักครัอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะเรื่องกฎระเบียบของหอพักอันนี้หลักใหญ่ๆส่วนข้อผีกย่อยนั้นนะ่ะก็เกิดขึ้นจากเด็กตกลงกันเองหนึ่งการแต่งกายให้ใส่เฉพาะชุดที่ทางหอพักจัดไว้ให้เท่านั้น บัณฑิตชายผู้ชายเราเรียกบัณฑิตนะชุดสีกักนะส่วนกาลยานีผู้หญิงนั้นชุดสีเทาใส่ปฏิบัติแล้วทั่วไปส่วนชุดนอนชุดกีฬาเดี๋ยวศูนย์มีแจกให้ผู้ปกครองไม่ต้องเดือดร้อนนะเราไม่ต้องการให้เป็นภาระผู้ปกครองแม้แต่หนึ่งบาทเพราะผู้ปกครองเองก็มีภาระมากมายแล้ว ไม่ใช่เด็กมันอ้อนอ้อนขออะไรแล้วก็ซื้อให้เขาเราต้องฝึกให้เขาประหยัดเขาอยู่ได้นะส่วนพวกกูเติมให้เมื่อเราทำกิจกรรมนอกศูนย์เราจะมีชุดใส่เล่นลูกไปได้นะไม่เป็นไรส่วนที่เรียนปวชนะตั้งแต่ปวชหนึ่งสอง นะ ป, ปรปวชสามปีนี้เราจะจบรุ่นหนึ่งเราก็ส่งไปที่อุบลละลูกนะภาคปฏิบัติสองเดือนไปทา ง, งานอยู่าาร้ร า, น า, า, รานอาหารที่โรงแรมร้านอาหารเราเลือกให้ร้านอาหารที่ดีๆพรากคูไปเยี่ยมลูกหลานเรานะเขาก็วิ่งกาบเพราะคูว่าคิดถึงพ่อคูชุดนี้เนี่ยเขาเคยมาเรียนที่ศูนย์มาครั้งที่ศูนคืนหนึ่งเขาสามะคีมากลูกแต่ชุดใหม่ไปเนี่ยจับปูใส่กระดง้งนะปะวช เทอมที่ต่อไปนี่ต้องเรียนแพทย์แผนไทยด้วยนะแต่เทอมแรกเป็นทฤษฎีนะจะมีครูไปสอนทฤษฎีที่ด่านเม่นนะแล้วก็เทอมที่สองนั้น่ะทุกคืนครูคีฟังด้วยเดี๋ยวไม่มีเวลาเจอกันจัดตารางการสอนเพราะครูขอวันศุกร์วันพิมหัสบเย็นมานอนที่นี่พวช ปฏิบัติกลางคืนตอนเช้าปฏิบัติและทั้งวันเนี่ยมีเจดคาบเรียนแพทย์แผนไทยห้าคาบเรียนข่ากรรมสองคาบให้ครูหนูหลิงครูเบนที่นี่ช่วยสอนวันหนึ่งให้เขามาอยู่ที่ศูนย์ทุกคืนวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะเพราะครูดูแล้วว่าถ้าทุกคนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันความสำนึกความรับผิดชอบมันจะมีมากนะอันนี้ปวชเพระนั้นูให้ทุกคนไปประชิญไปคบเพื่อนอยู่ข้างนอก แต่ครูต้องดูแลให้พวกครูเด็กต้องปลอดภัยเด็กเองต้องรักตัวเองไม่ใช่เอาแต่เพื่อนเอาแต่เล่นอะไรแล้วไปขโมยทำอะไรเนี่ยเห็นไหมวันนั้นพูดถึงเรื่องสุนัขไม่ชีบางคนนี่ชอบเลี้ยงหมามากตอนนี้เดือดร้อนยังไงเขาต้องพาไปฉีดยาแก้โรคหมาบ้าเห็นไหมหมาที่เราชอบมันก็ติดเชื้อเนี่ยน้ําลายฟูมปาก ตกน้ำไปเพราะเรามีหมาตัวเมียพวกหมาตัวผู้ข้างนอกก็มาหมาตัวผู้ข้างในก็หึงกันไปหวงกันมากัดกันมันก็ไม่สงบก็เตือนตั้งกี่ครั้งแล้วก็ยังแอบอยู่แล้วตอนนี้เป็นยังไงถ้าเกิดมันกัดน้องๆเราลูกหลานอย่างนี้เนี่ยมันก็เดือดร้อนเนี่ยเชื้อโรคหมาบ้าก็ไม่ใช่เราไม่รักษัสัตว์มันควรอยู่ในที่มันควรอยู่แต่ศูนนี่เป็นศูนย์เปิดญาติที่ทำมาก็ขี่จักรยานก็ไปไล่กัดเขา นี่เราเห็นแก่ตัวเพราะฉันรักหมาฉันมีความสุขไงแต่เราไม่รู้ว่าหมาเรามันก็สร้างปัญหาเห็นไหมตอนนี้พวกเรานี่ต้องไปฉีดยาแก้โรคหมาบ้าอันนี้เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะยังคนไปลาวตอนนี้เราฟิกอยู่เพราะว่ารถมันจํากัดนะวันที่สิบเราเดินทางสิบหกหรือสิบ็ดนี้พ่อครูบอกไม่ดีมแล้วนะให้พี่กุ้งขับรถตู้ออกไป เราไปชอบปิ้งกันดุนะเราซื้อชุดใส่เที่ยวคนเราสองชุดที่นี่รูการละเทศะวะเวลาไหนควรทําอย่างไรแต่เวลาอยู่ศูนย์เนี่ยเราก็มีชุดของเราโอเคนะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็แต่งชุดธรรมดาได้แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบที่ไม่ใช่ไปยัย่วยุผู้หญิงเราถูกค่มขืนทุกวันนี้นะเพราะอยากโชว์นั่นะแหละมันถึงโดน เราเองสร้างกรรมนะนะเราแสหาเรื่องเองลูกบางทีภาษาพระคุณมันตรงๆอย่างนี้นะโอเคการเยี่ยมเยียนนะวันเยี่ยมให้เยี่ยมได้วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเลิกหรือวันสำคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมของศูนย์อย่างกิจกรรมของศูนย์เออย่างวันสงการอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าระหว่างเวลาแปดมง ส0สิบตอนเช้าถึงสิบเจดศุนย์ศนอห้าโมงเย็นสถานที่เยี่ยมบัณฑิตผู้ชายศาลาเล็กใกล้โรงอาหารบัณฑิตแล้วก็ใต้พระใหญ่นะเอาที่เดียวดีกว่าตรงนี้แล้วต้องมาพบใครต้องแจ้งว่าต้องพบใครแล้วเขาตามมาพบนะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปในโซนที่พักนะ ผู้ปกครองพ่อคูเจอแล้วผู้ปกครองดีก็มีผู้ปกครองมาแอบแฝงมาก็มีนะมาพบกันที่นี่นะแล้วก็กาญยาณีมัธยมเนี่ยมารอยอยู่ที่โรงอาหารหรือใต้ต้นไทรตรงข้างหน้าเนี่ยนะแล้วก็ต้องไปแจ้งให้ใครทราบแล้วก็คนนั้นก็ไปตามมาพบให้มันเป็นระเบียบเป็นอะไรหน่อยเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเราเองบางคนมันแปลงร่างมามเป็นผู้ปกครอง มันก็มาขโมยลูกหลานเราไปไปตัดแขนไปเป็นขอทานเนี่ยผู้ปกครองเอาไหมเห็นไมไม่ชอกมาที่นี่ยากยากต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็ทำเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเราเองนั่นแหละลูกหลานเราคนดีก็มีคนที่ยังไม่ค่อยดีก็มีอยู่เไมเราจะไปเชื่อเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราทำทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของเขาการขออนุญาตการกลับบ้านอนุญาตเฉพาะกรณีจาเป็นจริงๆเท่านั้นเช่น ปิดเทอมตามกาหนดที่ศูนย์ให้กับสองญาติเสียญาติสายตรงไม่ใช่ญาติทางห่างก็อ้างญาติก็ไปเรื่อยๆออนะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่เราเราต้องไปเฉพาะจําเป็นเรารการเจ็บไข้ได้ป่วยกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้อข้างต้นให้พี่นาเป็นรายบุคคลหรืออนุญาตให้ไปเข้าให้ไปเช้าเย็นกับทาทุกอย่างก็เพื่อลูกหลานเรานะ พราเขายังไม่แข็งแก่งบางคนแอบขอไปอย่างนั้นก็ไปแอบไปทาอย่างอื่นแอบนี่เป็นยังไงนะแอบนี่เป็นว่าขโมยขโมยนี่คือผิดศีลละเราอยากให้ลูกหลานเราเป็นขโมยไหมอยากให้ลูกหลานเราเป็นผิดศีลไหมถ้าเราลากลูกหลานเราจริงๆนี่ต้องให้ลูกหลานเราเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนดีสี่ ข้อนี้เรารู้กันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผ่อนปลนนะแล้วคุยกันว่าจะเอาแค่ไหนไม่ให้มีโทรศัพท์เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาเช่นเด็กติดเกมติดสื่อหรืออื่นๆเด็กเป็นวัยที่ยังขาดวุฒิภาวะการควบคุมตัวเองและอาจมีผลเสียต่อเด็กนะทำให้กลายเป็นเด็กดือ้อโลกสมาธิสั้น พฤติกรรมก้าวร้าวไม่สนใจกิจกรรมหรือการเรียนเป็นต้นเนี่ยเรารักลูกแบบกันไงเราไม่มีเวลาดูลูกไม่มีใครว่านะก็มาฝากที่นี่เดี๋ยวเราดูแลให้ปุ๊บซื้อมือถือให้ปุ๊บมันก็แอบไปขโมยมันก็เป็นขโมยอีกก็เป็นอ e ีแอบอีกผิดศีลแล้วพอเขาขโมยทำปุ๊บพอจับได้ปุ๊บเขาก็พูดโกหกอีกผิดศีลอีก เขาจะเจริญไม่ได้ถ้าลักลูกจริงๆต้องอดทนนะแต่ที่นี้เดี๋ยวเราคุยนะเพราะกลัวเทคโนโลยีมือถือเราไม่ใช้ไม่ได้ต้องใช้แต่ใช้ให้มันเป็นอย่าใช้ให้มันตายตอนนี้ลูกหลานเราตายทั้งเป็นเป็นทาตของมันเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมพอสนุกเนี่ยเขาแย่งไปปุ๊บเนี่ยก็ตีกันฆ่ากันความสุขเมื่อกี้นี่หายไปไหนมันเป็นแค่ความสาใจความพอใจมันไม่ได้ความสุขนะ เล่นให้มันได้เงินสิเล่นให้มันได้เงินเหมือนเหมือนแจ็คมาอย่างนี้เนะ่มันเล่นเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นมหาเศรษฐีเล่นแบบนั้นทำไมไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์เราก็มีอะไรมีแต่ว่าพวกเราไม่เคยสร้างความเชื่อมั่นให้พวกครูตั้งกติกาเองแล้วก็ไม่ยอมทำแล้วมันจะเชื่อถือได้ยังไงเอาถ้าเราบอกว่าตายกาวให้ใช้มือถือทุกวันเลยวันละครึ่งชั่วโมงแล้วเราทำอ่ ใช้มือถืออย่างมีประโยชน์สร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาได้นะั่ทำไมจะไม่ให้ใชายใช้วันหนึ่งสามชั่วโมงเลยก็ได้ถ้าใช้เกิดประโยชน์แต่ตอนนี้พวกเราไม่อยากจะใช้ตามกิเลสทำร้ายองค์กรไม่พอทำร้ายตัวเองไม่พอคนอย่างนี้ไม่มีอนาคตนะข้อห้าการรับของเพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำในเด็กนักเรียนด้วยกันควรแจ้งให้พี่เลี้ยงทราบ หากไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตแนะนำให้ผู้ปกครองงดซื้อเพราะทำให้สิ้นเปลืองเงินสิ่งจำเป็นที่จะซื้อเช่นเสื้อก้ามชุดชั้นในกางเกงในเสื้อในผ้านามัยถุงเท้าไม่เกินสี่คู่รองเท้าเสื้อกันหนาวอุปกรณ์การจริงๆเรื่องพวกนี้ก็ไม่จำเป็นศูนย์มีให้ตลอดแต่มีให้แล้วก็โยนแล้วก็ทิ้งไงเสื้อผ้าก็ไม่ซักก็เอาไปยัดใส่ ไม่สงสารพ่อแม่บอกเราเข้าใจว่าโอ้พ่อแม่ซื้อให้พ่อแม่เรารักเราแต่เราเคยรักพ่อแม่ไหมเราเคยห่วงพ่อแม่ไหมพ่อแม่ทํางานหนักต้องคิดในมุมกลับลูกนะนี่เราไม่ประหยัดแล้วคุณธรรมเจตประการเราก็สอบตกนะฉันมีเงินฉันให้ลูกฉันลูกฉันก็ใช้เงินมาเป็นมาเป็นหัวโจก ลูกฉันมีเงินฉันจะเข้าร้านเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคนเขาไม่มีเงินหรอมันก็มาสร้างความเหลื่อมล้ำเด็กด้อยโอกาสทำให้เขาด้อยมากขึ้นที่นี่ไม่ต้องการให้มีอารมณ์แบบนั้นวันไหนที่จะเข้าให้เข้าร้านนะเพราะคูเป็นคนแจกเงินเองวันนี้ปล่อยผีทุกคนเข้าได้หมดทุกคนมีสิทธิ์หมดอันนี้สังคมนี่มีจตเอาเงินมาแข่งกันอวดมั่งอวดมีเด็กก็เป็นเหยื่อเหยื่อวัตถุนิยม นะที่นี่ไม่อนุญาตถ้ามีต้องมีด้วยกันเขาจะได้รักกันอันนี้คนมีก็เอาอิทธิพลเงินเนี่ยไปหลอกใช้เพื่อนอันนี้เป็นความที่ไม่ถูกต้องนะผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือง ก, การรับเงินไม่ให้เงินเด็กโดยตรงหากประสงค์จะให้เงินเด็กให้ฝากไว้กับพี่เลี้ยงโดยตรงเพื่อป้องกันเงินเด็กหาย หรือเกิดการขโมยภายในหอพักมันเคยเกิดขึ้นแล้วลักลูกให้ถูกทางไม่ใช่ลักลูกเอาเงินให้มันในในนหลเราทาลายลูกและลูกมันจะหลงเงินแล้วจะทำให้เพื่อนของลูกเนี่ยที่มันไม่มีเงินมันจะเสียใจแทนที่เราจะได้ทำบุญเนี่ยเราทาบาปแล้วนะมีก็มีเหมือนกันไม่มีก็ดูแลกัน นะข้อที่เจ็ดเพื่อเป็นการฝึกเด็กใช้เงินให้เป็นโดยอนุญาตให้เข้าสากรหรือร้านกาแฟได้เดือนละหนึ่งครั้ง mm hmm. ก็มีเด็กต่อรองมาอยู่อาทิตย์ละครั้งได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวคุยกันลูก mm hmm. เดี๋ยวคุยกันนะพวกนี่พ่อครูให้เราศึกนี่เพื่อผ่อนปลนไม่ให้เราเครียดอะไรที่เป็นอาหารใจบ้างเนี่ยพ่อครูให้ได้ให้นะ นวาดเป็นผู้ใหญ่เรานวาดเป็นหัวหน้าพยาบาลเขาก็ดูเรื่องสุขภาพอะไรที่กินแล้วมีไม่มีประโยชน์นวาดก็เตือนต้องมีคนเตือนแต่บางครั้งพวกกูบออาหารใจต้องให้เขาหน่อยหนึ่งให้หน่อยหนึ่งไม่เป็นไรแต่ให้บ่อยๆแล้วมันกระทบถึงร่างกายอย่างนั้นให้ไม่ได้นะเราต้องอย่าปฏิเสธอาหารใจด้วยเด็กๆวัยนี้เขาต้องการมีความรู้สึกสุข พอใจในสิ่งที่เราได้ทําแต่ต้องอยู่ในกรอบที่ปลอดภัยนะห้ามผู้ปกครองพาเด็กเข้าสหากรณ์หรือร้านกาแฟเพราะอาจเกิดผลกระทบต่อเด็กคนอื่นที่ไม่มีผู้ปกครองมาเยี่ยมดีที่สุดคือแจ้งพี่เลี้ยงให้ทราบจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือผลเสียอื่นๆตามมาเพราะครูเข้าใจผู้ปกครองนะนานๆได้มาเยี่ยมลูกทีหนึ่งก็อยากจะแสงความรักนะซื้อให้เด็กอะไรๆบ้าง อันนี้เราคุยกันนีพักหนึ่งว่าถ้าเราแข็งทื่อเลยไปเนี่ยผู้ปกครองก็พลาดโอกาสในการที่จะอะไรล่ะใช้ชีวิตยอยู่กับเด็กทีนี้การอยู่กันบางทีมันก็มีอาหารใจบ้างเนาะอันนี้ขอให้เราคุยกันเพราะว่าเขาไม่ใช่นักบวชแล้วนะเขาศึกแล้วเรากำลังหาความพอดีน ะ, ะผู้ปกครองก็มีอะไรก็เสนอแนะมา เนะพราะเรามาทางไกลนานๆมาก็อยากจะอยู่กับลูกกับเต้าซื้ออะไรเข้เขากินหน่อยหนึ่งอันนี้เราเปลี่ยนแปลงได้นะข้อคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยให้พรอครูอา่าน ย, ยังเป็นข้อคิดเห็นเหมือนเขาเป็นนักบวชอยู่นะตอนนี้เขาศึกแล้วนะเราจะผ่อนปลนลงมานะให้ทุกคนฝึกรับผิดชอบตัวเองนะแล้วก็การบริหารเงินเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เราไปตีว่าเดือนหนึ่งให้ครั้งหนึ่ง เราเป็นว่าสักวเดือนหนึ่งเราให้เขาสองร้อยเราให้เขาสองร้อยเลยได้ไหมส่วนเขาจะซื้อเป็นแบ่งไปกี่ครั้งเนี่ยก็เรื่องของเขาให้เขาบริหารของเขาเองเพราะกูดูแล้วเพราะครูแอบดูพอวันที่เขา้าป๊บเขาก็ขนเลยขนเป็นกระบุงเลยเหมือนต้องไปตุนไว้เพราะเขามีสิทธิ์เข้าครั้งเดียวอันนี้เราคุยกันใหม่ แต่พิจาราว่าเราจัดค่าใช้จ่ายให้เขาว่าโอเคเดือนหนึ่งเขาค้าว่าไอ้เงินที่ใช้ใ้ไปซื้อของเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราก็ให้เขาบริหารเงินเลยส่วนเขาจะเข้าเป็นครั้งหนึ่งสองครั้งหรือแบ่งเป็นสี่ครั้งเนี่ยต้องฝึกให้เด็กเขารูจักใช้เงินเป็นนะอันนี้ก็ลดลดลดล ด, ลดเพาดานลงมาข้อแปดการลงโทษพ่อครูไม่ได้อยากยินคำนี้อันนี้ใช้กับนักโทษ เด็กๆ เ, เป็นนักเรียนไม่ใช่นักโทษต้อง ม, มีการลงโทษเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ผิดแล้วปล่อยเลยตามเลยแต่การใช้ภาษาเนี่ยคำว่าลงโทษมันไปตรงกับนักโทษบางทีเราแยกแยะไม่ออกมันเลยมองกันในแง่จับถูกจับผิดกันเห็นไ้าผิดแล้วก็ลงโทษมันก็เลยมีถูกมีผิดเรามาทางสายสายธรรมแล้วเราต้องเป็นทางสายกลางเอาเป็นว่า ใครผิดกติกานะเราต้องจัดแจงอย่างไรนะกรณีไม่ทากดตามกฎระเบียบหอพักหรือการทำผิดใดๆที่เกิดความเสียหายให้นำเข้าที่ประชุมกรรมการหอพักโดยบทลงโทษเป็นข้อตกลงของเด็กที่วางไว้เองนี่แหละเราคุยกันเด็กวางไว้เองนะถ้าถ้าไม่ซักผ้าเน้ยน โคตกลงคือยังไงตกลงยังไงลูกที่เราไม่ทำหน้าที่ตกลงยังไงนั่งสมาธิใช่ไหมฮะพวกกูเห็นรายงานอยู่ที่คนเขียนบอกว่าให้เลือกเอาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามระเบียบเนี่ยให้วิดน้ำหรือว่าให้นั่งสมาธินี่แหละเดี๋ยวไปตกลงกันนะให้เราตั้งกฎเกณฑเองลูกเมื่อเราทำผิดเอง เราก็แก้ไขเองแก้ไขโดยไม่ได้เรียกว่าลงโทษแก้ไขโดยเอาไปล้างห้องน้ำํำ เ, เพื่อเตือนเราว่าต่อไปอย่าทําผิดอีกอย่างนี้ดีไหมแต่ถ้าคับว่าลงโทษเราไปเข้าใจว่าเอาไม้มาตีนะมีการประทะระหว่างผู้ดูแลกับสิ่งที่คนที่ถูกดูแลเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกไม่ดีไปจับถูกจับผิดกันเนี่ยถึงมันจะผิดกระช่างก็จะรู้สึกว่า อชอบจับจิตพยูเรียเขาจะเบื่อเพราะเขาไม่ใช่นักโทษเขาเป็นนักเรียนเขาไม่รู้เขาถึงมาเรียนเราต้องมีเมตตาสูงสุดนะก็เดี๋ยวพวกเราพี่เลี้ยงมานั่งคุยกันนิดหนึ่งแล้วก็กติกาทุกอย่างให้เกิดขึ้นจากเด็กเป็นคนตั้งขึ้นมาเองเมื่อตั้งขึ้นมาเองเขาทําผิดพลาดเองเขาต้องรับผิดชอบสิ่งเขาทําการรับผิดชอบก็สมมติว่าเขาไม่ซักผ้า พอไปตรวเจอปุ๊บคณะ ก, กรรมการก็แจ้งว่าเธอต้องทำยังไงนะนอกจากซักผ้าเสร็จแล้วนี่ก็ต้องไปล้างห้องน้ำเข้าใจไหมนี่ไม่ใช่ลงโทษนะนี่คือการแก้ไขในความผิดพลาดของเรานะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องผู้องการเห็นเห็นทุกคนมีความสุขนะจำไม่ว่าเขาเป็นนักเรียนเขาไม่ใช่ น, นักโทษแล้วผู้ปกครองให้เชื่อมั่นโรงเรียน ผู้ปกครองมาทีานี่มีคนแอบไปเก็บเงินกับผู้ปกครองไหมนะมีเจ้าหน้าที่หรือพี่เลี้ยงคนไหนไปเรียกเงินกับผู้ปกครองไหมว่าค่านู่นค่านี้เท่าไหร่ถ้ามีบอกพระครูด้วยทีนี่ไม่มีเป้าหมายมูลที่คือเพื่อฮบ๊อบอนเบาภาระไม่ให้ผู้ปกครองเป็นภาละหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจสองเรื่องความห่วงใหญ่ เราถึงมายอมเหนื่อยกันไงเพื่อให้ผู้ปกครองเป็นภาระนะพวกเราได้อะไรได้ทําบุญไงได้ให้ทานไงทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราเราตอบได้ชัดเจนไม่ใช่มาสร้างภาพหลอกกันผู้ปกครองต้องเข้าใจเราด้วยนะเออให้เชื่อมั่นมีอะไรผู้ปกครองไม่พอใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยให้แจ้งนะทีนี้เราโดาตรวจเช็คดูถ้ามันจริงเนี่ยศูนย์ยินดีแก้ไขเพื่ออะไร เพื่ อ, อนาคดลูกหลานเรานะให้เชื่อมั่นว่าพวกเราลักเด็กๆนะก็เรื่องทรงผมก็ดีเนี่ยบอกว่าได้ยินพระครูบอกว่าให้ไว้ผมสั้นทำไมเด็กมาอยู่ใหม่ต้องต้องบวชสองอาทิตย์ปลงผมก่อนให้มันเป็นเบอร์ศูนหมเมื่อศึกแล้วไปโรงเรียนก็ให้ไว้ผมยาวแต่ยาวแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าพระครูชอบนะชอบให้อยู่ให้ให้เห็นหูเนี่ย นะเป็นทรงบอบทรงอะไรที่นี้มีเด็กผู้หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูเป็นทอมทำไมทอมทอมต้องผมสั้นเหรอเห็นหมและกวนผมนี่เป็นอะไระกวนผมนี่เป็นไม่ชี่แต่ผมสั้นนี่เป็นทอมผมยาวเป็นดีใช่ไหมคือให้ไว้บ้างที่นี้ส่วนมากต่อรองว่าให้ถึงไหล แล้ววาดรูปให้พ่อครูดูด้วยนะนี่ถึงไรอย่างนี้แล้วก็ผูกเปียนี่สวยงามมากเรียบร้อยนะแต่ถ้าว่าโอเคปุ๊บเดี๋ยวเป็นงูกเก่งกองแล้วเวลาเขาหยอกได้เนี่ยเขาบอกอุ้ยเขาจะทําให้มันเรียบร้อยอ่ะแต่พอได้ไปแล้วเนี่ยเหมือนเนเหมือนกันได้ขี่จักรยานไม่ขี่นะไปซิ่งเห็นไหมนี่พวกเราไม่รับผิดชอบถ้าเราขออะไรพอผู้ใหญ่ให้แล้วเนี่ยเรารับผิดชอบมันไม่มีเรื่องเนี่ยขออะไรอีกก็ให้อีก แต่ที่บาลให้ปุ๊บเนี่ยเราไม่รับผิดชอบไม่ทําหน้าที่เนี่ยเรียกร้องแต่สิทธิรูจ้จนลืมหน้าที่นะเอาเป็นว่าเรื่องทรงผมเรื่องจักรยานเรื่องชุดเอ่อเรื่องแต่งหน้าพ่อครูตอบวันนี้เลยนะห้ามแต่งเด็กขาดแต่งหน้านี่ห้ามแต่งจะไปเป็นนางงามหรือจะเป็นดารา เอาไว้โตก่อนหาเงินเป็นก่อนอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยคนแต่งว่าเขาสวยนะพราะดูแล้วพราคุดูแล้วขี้เหล่มากๆเลยฮะเอาสีปะหน้าตัวเองปกคุมหลอกคนอื่นไอ้นี่ผิดศีล น, นะหลอกให้เขาว่าเราสวยนะไปหลอกเขานะหลอกเขาไม่นานหรอกลูกพอกลากคืนนอนหลับปุ๊บน้าลายก็ไหลเลยมันก็เบื่อเรามันก็ทิ้งเราไปไงไอคนที่เรารักมัน เอาสวยแบบธรรมชาติให้มันงามแบบธรรมชาติแก่มาก็ยังรักกันอยู่นะไอเรื่องแต่งกายเรื่องแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยตัดไปเลยลูกเออทาแป้งบ้างขาวๆไม่เป็นไรเพื่อกันแดดกันอะไรเนี่ยไม่ใช่เอาเป็นว่ามีสีเนี่ยไม่ได้แม่ชีใหญ่เขาไปแจ้งความมาแล้วนะสีแดงๆของเขาเนี่ย มีคนไปขโมยไปทาปากเนะลิปเขาทาป้องกันอะไรไม่นะมีพวกเราไปขโมยไปทาให้มันแดงๆเป็นลิปสติกกนะันเอาเวลาเนี่ยมาทําสิ่งดีๆได้ไหมหลูกไอ้พวกนี้ไม่ต้องแต่งทุกคนทําให้ตัวเองงามนะเรางามอยู่แล้วทําให้จิตใจมันงามนะเรื่องโทรศัพท์เดี๋ยวคุยกันใหม่นะว่าแค่ไหนมันพอดีก็เรื่องปิดเทอมพรอ ก, กูเห็นด้วยละลูกพอกู อะเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นของใหม่นะเอาเป็นว่าเราเราศึกแล้วเราอยู่กันแบบไม่ใช่นักบวชแล้วเนี่ยเรามาก่อนเวลาสักไม่กี่วันมาวันที่ห้ายัางตํานะต้องมาวันที่ห้าต่อไปใครมาเกินเทอมหน้าต้องตุถูกตัดไปหนึ่งวันเกินหนึ่งวันตัดไปหนึ่งวันนะไม่ไม่ดีกว่าตัดหนึ่งวันมันไม่ขังถ้าใครมาช้าหนึ่งวันเทอมหน้าตัดไปหนึ่งอาทิตย์เลือกเอา ถ้าไม่อยากถูกตัดเข้ามาตรงเวลาจะได้มันประชุมกันลูกแล้วก็มาเตรียมตัวว่าเราจะอยู่กันแบบไหนให้มันมีความสุขเป็นเรื่องใหญ่นะลูกนี่จากนี้ไปเราเดินไปเพนนี่พวกเรานั่งอยู่ตรงไหนฮะเอาเราไปลงอาหารเราตั้งอยู่ตรงไหนไม่ชีนั่งอยู่ตรงไหนไม่ใช่ไม่ชีแล้วเนี่ยเป็นโยมแล้วเนี่ย นี่สิ่งไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะบิณฑบาตก่อนโยมไม่ได้เห็นไหมเราได้อย่างเสียอย่างเพราะเราบวชปุ๊บนี่ยเราบิณฑบาตก่อนโยมเราพิจารณาอาหารที่ดีๆก่อนโยมแต่จากวันนี้ไปเนี่ยเราต้องกินหลังโยมเพราะเราเป็นเด็กเห็นไหมแล้วก็เสียสิทธิ์แต่ว่านั่งตรงไหนเดี๋ยวพระครูเดินไปดูด้วยกันนะ บัณฑิตนั่งที่เก่าเนาะนั่งที่เก่าแต่ไม่ใช่บินทาบาทอะ่ะไปตักอาหารหลังโยงนี่ไม่ใช่บทลงโทษนะอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าเพราะเราเลือกอิสาลีไงเราเลือกอิสระไงเราก็ไม่มีสิทธิพิเศษฮะมิชีคิดดูจะนั่งตรงไหนลูก ไม่ชีแพ็กนั่งตรงไหนเ่าไปนั่งเทียบกับไม่ชีคนโตได้ไหมคืนนี้ทำวัดไม่ชีคนโตมานั่งข้างหน้าเข้าใจไหมแล้วก็ถัดไปกาลยานีแล้วก็ถัดไปเป็นบัณฑิตเห็นไหมตกชั้นแล้ว เห็นไหเราได้อย่างเสียอย่างไงไนะแต่ว่าบัณฑิตนั่งที่เก่านั่นแหละแต่ว่ารอให้โยมเขาเป็นพ่อแม่เราเขาเป็นผู้โอโซให้เขาตักอาหารเสร็จแล้วค่อยมาตักหลังเขาเข้าใจไหมนะบัณฑิตเข้าใจนะแล้วก็ส่วนกัญยาณีเดี๋ยวไปดูความเหมาะสมเพราะว่ามันเกี่ยวกับจํานวนที่นั่งด้วยนะ ว่าเราจะนั่งยังไงพระภิกษุท่านบิณฑบาตก่อนแล้วต่อไปคุณแม่ชีคนโตเสร็จญาติที่ทำพิจารณาอาหารแล้วต่อไปก็ น, นักเรียนตอนนี้เราเป็นนักเรียนนะเนาะ<ม>นนเห็นไหมตอนนี้เรามีหน้าที่อุปถากผู้ปกครองต้องกระตันอยู่แล้วเรากินพิจารณาอาหาร ก่อนผู้ปกครองไม่ได้มันจะเป็นบาปเมเมื่อเรามีสมมุติบัญญัติแล้วเราไม่ทำลายสมมุติโอเคนะพวกกูก็ใช้เวลาพอสมควรก็เน้นที่ให้ผู้ปกครองเข้าใจแนวทางเรามีอะไรที่ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกใจเนี่ยกรุณามาบอกเราศูนย์นี้เป็นของท่านศูนย์นี้ไม่ใช่ของใครบริหารด้วยมูลนิธิเพื่อผู้ด้ยโอกาสศูนย์พรลานคอยนะอยากให้มันดีอย่างไรมาช่วยกันทาให้มันดี ลูกหลานเราจะได้เป็นเครื่องมือนะพัฒนาลูกหลานเรารุ่นต่อรุ่นโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญและบารมีที่ได้ร่วมกันพฤ้ปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยวัยเทอ